พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส3บสาพระสูตรที่ยี่สิบห้ามาคันธิยะสูตรสูตรว่าด้วยมาคันธิยะบริพาชกพระผู้มีพระภาคประทับนาเครื่องลาด ท, ทำด้วยหญ้าในโรงบูชาไฟของพราหมณ์ภารทวาชโครในนิคมแห่งแคว้นกุรุชื่อกรมมาสธรรมะ ตรัสโตตอบกับมาคันธิยะปริพาชกผู้กล่าวหาพระผู้มีพระภาคว่าทรงกำจัดความเจริญเพราะตรัสสอนให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจลัทธิของมาคันธิยะปริพาชกนั้นมีอยู่ว่าควรเจริญตาหูจมูกลิ้นกายใจควรเห็นควรฟังควรดมควรลิ้มควรถูกต้อง และควรรู้สิ่งที่ยังไม่เคยเมื่อได้เห็นได้ฟังเป็นต้นแล้วจึงควรก้าวล่วงซะเป็นการบัญญัติความเจริญในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจครั้งแรกตรัสถามว่าคนบางคนเคยได้รับบำเรอด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผดธพะหรือสิ่งที่ถูกต้องได้ด้วยกายอันน่าปราถนารักใคร่ชอบใจ แล้วภายหลังรู้ความจริงทั้งฝ่ายเกิดฝ่ายดับรู้โทษรู้ความพอใจรู้การถอนตัวออกจึงบรรเทาความทยานอยากในรูปความเร่าร้อนเพราะรูปปราศจากความกระหายมีจิตสงบระงับในภายในดังนี้ท่านจะกล่าวถึงผู้นี้ว่าอย่างไรทูลตอบว่าไม่กล่าวว่าอย่างไร รัเล่าเรื่องพระองค์เองผู้ร่างพร้อมด้วยกามาคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะมีปราสาทสามหลังสำหรับฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนพระองค์ได้รับการบำเรอด้วยดนตรีไม่มีบุรุษเจือปนไม่ต้องลงชั้นล่างของปราสาทตลอดสี่เดือนในปราสาทสำหรับฤดูฝนสมัยอื่นทรงทราบความจริงเกี่ยวกับกามาคุณดังกล่าวข้างต้น จึงทรงบรนเทาความทยานอยากเป็นต้นมีจิตสงบระ ง, งับภายในเมื่อทรงเห็นผู้อื่นยังไม่ปราศจากราคะถูกความทยานอยากในการบีบคั้นถูกความเร่าร้อนเพราะการเผาไหม้เสพกามอยู่ก็ไม่ทรงกระยิมยินดีไปตามเพราะทรงยินดีด้วยความยินดีอันอื่นจากกามอื่นจากอากุศลธรรมจึงไม่ทรงยินดีต่อสิ่งที่เลวกว่า ตรัสเปรียบตามที่มาคันธียาปริภาชกทุนรับรองว่าเป็นเช่นนั้นเป็นข้อข้อคือหนึ่งคนที่เคยเพียบพร้อมด้วยกรรมคุณในโลกนี้ภายหลังทำความดีได้ไปเกิดในเทพชั้นดาวดึงเพียบพร้อมด้วยกรรมคุณอันเป็นทิพยอมไม่เห็นกามาสุขของมนุษย์ดีกว่าที่ตนควรกลับไปหาอีกสอง คนเป็นโรคเรื้อนถูกหนอนชัยเกาปากแผลด้วยเล็บย่างตัวที่หลุมฐานเพลิงเมื่อรักษาหายแล้วย่อมไม่กระยิมยินดีต่อคนเป็นโรคเรื้อนคนอื่นเพื่อย่างตัวที่หลุมฐานเพลิงและกินยา3คนเป็นโรคเรื้อนที่รักษาหายแล้วถูกผู้มีกําลังกว่าจับแขนให้เข้าไปหาหลุมฐานเพลิง จะพยายามเบี่ยงตัวไปทางโน้นทางนี้เพราะการย่างตัวมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความเร่าร้อนมากแต่ที่เคยสาคัญว่าเป็นสุขในการย่างตัวที่ไฟก็เพราะถูกโรคครอบงํา4คนเป็นโรคเรื้อนยิ่งเก่ายิ่งย่างตัวปากแผลก็ไม่สะอาดยิ่งขึ้นมีกลิ่นเหม็นยิ่งขึ้นเน่ายิ่งขึ้น ความอร ե ตอร่อยพอใจย่อมมีเพราะเหตุคือการเกาปากแผลความอร ե ตอร่อยพอใจเพราะอาศัยกรรมคุณห้าก็ฉันนั้นตรัสถามว่าเคยเห็นพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาผู้เพียบพร้อมด้วยกรรมคุณไม่ละกรรมตันหาแต่มีจิตสงบระงับภายในในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตหรือไม่ ทูลตอบว่าไม่เคยเห็นตรัสว่าแม้พระองค์ก็ไม่ทรงเคยเห็นหรือเคยฟังว่ามีเช่นนั้นจึงตรัสสรุปว่าต้องรู้ความจริงและการมตัณหาจึงมีจิตสงบระงับภายในอยู่แล้วทรงเปล่งอุทานว่าลาบมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง บรรดาหนทางไปสู่พระนิพพานหนทางมีองค์แปดเป็นทางอันกเกษมมาคันธียาปริพพาชกกล่าวว่าตนเคยได้ยินครูบาอาจารย์ปริพพาชกรุ่นก่อนๆ ก, กล่าวอย่างนี้เหมือนกันจึงตรัสถามความหมายว่าความไม่มีโรคกับนิพพานเป็นอย่างไรมาคันธียาปริพพาชกเอามือรูปตัวแล้วทูลว่านี่แหละความไม่มีโรค นี่แหละนิพพานข้าพระเจ้าไม่มีโรคมีความสุขอะไรๆก็ไม่เบียดเบียนในบัดนี้ตรัสตอบว่าคนตาบอดแต่กาเนิดไม่เคยเห็นสีต่างๆไม่เคยเห็นสิ่งราบเรียบและไม่สม่ำเสมอไม่เคยเห็นดวงดาวพระจันทร์พระอาทิตย์ได้ยินคนตาดีเขาพูดว่าผ้าสีขาวดีก็สแสวงหาผ้าขาว แต่ถูกคนบางคนหลอกเอาผ้าสกปรกเปื้อนน้ำมันมาให้ว่านี่แหละผ้าขาวก็หลงหหมและชื่นชมว่าผ้าสะอาดไม่ใช่เพราะรู้เห็นแต่เพราะเชื่อคนตาดีเขาว่าพวกปริพาชกละที่อื่นก็ฉันนั้นไม่รู้จักความไม่มีโรคไม่เห็นพระนิพพานแต่ก็กล่าวคาถานี้ที่ว่าลาบมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่ง พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคาถานี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในการก่อนตรัสไว้แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นคาถาของปุถุชนไปโดยลำดับท่านกล่าวถึงกายนี้อันเป็นโรคเป็นฝีแล้วชี้ความไม่มีโรคและนิพพานไปที่กายนี้ก็เพราะท่านไม่มีอริยะจักสุที่จะรู้จักความไม่มีโรคที่จะเห็นพระนิพพานได้ มาคัญทิยาริภาชกทูลขอให้ทรงแสดงธรรมที่จะเป็นเหตุให้ตนรู้จักความไม่มีโรคเห็นพระนิพพานได้ก็ทรงแสดงเรื่องความเกิดความดับแห่งกองทุกันอาจรู้เห็นได้ด้วยตนเองโดยการฟังและปฏิบัติธรรมซึ่งทำให้มาคันทยาบริภาชกเรื่มใส่สันเสริญพระธรรมเทศนาขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะและขอบรรพชาอุปสมบท เมื่อทราบว่าจะต้องอบรมก่อนสี่เดือนก็แสดงความจำนงจะรับการอบรมถึงสี่ปีและเมื่อได้บรรพชาอุปสมบทแล้วไม่นานบำเพนเพียนก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหรันต์